ก็ยิ่งมานาแล้วมันจะเกิดมาจนถึงบัดนี้งานที่บันข้างค้าอยู่ในจิตในใจของเราอยู่ในกาของเร า, เร า, าเราใช้กอยช้จผิดเชื่มมาเชื่อใจหายใจก็เปิเพื่อนกับเสียงที่เราใชยผิด ดิดอยู่ที่การคิดใจมากมายจนมองมเห็นความจริงที่เป็นตายเถอเาเป็นมิตใจเดินเดินเถอะแท้ถ้าดื่นมาเถอะแท้เท่า น, นั้นอมพอมันเอากายไปใช้เอาใจไปใช้อีกท้าไม่ทำผิดทางพลาดเยอะ ย, ยมากมาย เป็นเหยียดยนันเนแดงและคนอื่นสิงอื่นวัตถุอื่นเสียเงินเสียทองเสีอเวลาแทนที่หายใจจะได้ทําความดีให้มันสมกับที่มีกายมีใจเกิดมายากลำบากผ่านความเสียงเป็นเสียงตายของผู้ให้กำเนิดเกิดมาว่าไป เสียเงนินเสียทองรักษากายให้มีชีวิตยอยมากไปเราเราก็เังจะคุ้มค่ากับเราที่ลงทุนกันมากขนาด น, นี้จึงฝึกหัดเขียนใหม่เพิ่มเติมใหม่สิ่งที่มันไม่ดีให้มันออกไป สิ่งที่มันดีเพิ่มขึ้นมาในข่าวเดียวกันฝึกตามคำสอนของพระเจ้าว่าเรานี่มนุษย์เรานี่ยมีกาไม่ใจนี่พัฒนาขึ้นมาให้เป็นพุท ธ, ธได้ให้เป็นพุท ธ, ธได้จากความเป็นคนปนไปกันมากมายคุ้มไหวคุ้มดีให้มันเป็นพุท ธ, ธขึ้นมา มีความดีความประเสริฐเกิดขึ้นที่กาลที่จะนี้โดยปฏิบัติตามคำสอนมีวิธีการที่ได้มีผู้ทมสำเร็จมาเช่นพระพุทธเจ้าหลาเพ่อหลังนังผู้อาจิารมีอยู่จริงมีสักขีพยาน ที่ทางบอกความเท็ความจริงอยู่เราจึงมาฝึกหัดตามที่มีวิธีการนั้นจเนจริญสติภาในกายอาศิยกายนั่นแหละเป็นความรู้จักตัวอาศัยใจนั่นแหละเป็นความรู้จักตัว เมื่อเรามีความรู้จักตัวจุดที่กล่าวที่จาย ก, ก็จะได้เห็นสิ่งที่ไม่ใช่ควมรู้ที่มันมีอยู่แสดงออกหมาให้เราได้เห็นเจอได้เปลี่ยนมันให้มันรู้ซะแล้วมันก็เปลี่ยนได้อันไหนแค่ใช่ความรู้เกิดขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนเป็นความรู้ได้ต้นงานที่ชอบที่ชุด เราก็ได้ทํางานที่มันข้างคางอยู่ให้มันเสร็จไปเสร็จไปจากความหลงเป็นความรู้จากความทุกข์เป็นความรู้จากความโกรธเป็นความรู้จากความไม่ดีเป็นความดีเกิดขึ้นมาในขาวเดียวในตัวมันเองมีวิธีมีวิธีปฏิบัติมีวิธีฝึกหัดหรื <c oughs> อการมีสติดูกายเคลื่อนหว อาศัยการเคลื่อนไหนตวตนเม็ดกระตรุ้นให้มันรู้สึกตัวกานเคลื่อนไหวอย่างจับจับครือดืนเดินนั่งนอนกู้เหยี่อเคลื่อนไหวถ้างมีสติถ้าไม่เชนนํามันจะไม่เกิดขึ้นนด้อันเื่นครอบตัองไว้ก่อนจึงปลุกเบิกไปอย่างนี้แพี้วถางไปอย่างนี้ถ้ามันได้ช่องทาง ว่ามีที่ลงเอาใช้การเคลื่อนไหวหยับจับคือผู้เยอะเคลื่อนไหวเรียกว่าสัมปชัญญบัพภะตามที่พรเจ้าสอนหยับหยับเข้าไปดูการสันการขึ้นหายใจเข้าหายใจออกถ้ามีสติจะดีฝึกหนับตรงนั้นอีก เวทีตรงนั่นอีกสนามตรงนั้นอีกหาเใจเข้ามายใจออกรู้เฉยตัวครับตรงนั้นอีกอ่ามันมี่สตริมากขึ้นก่อนครับดูก่อนเคลื่อนไหวกล่คมกลมชิดเวลามันชิดเกินมารู้จฉกตัวมันชิดดังแล้วก็ทำให้รู้เฉยตัวก <c oughs> ล่อมชิดไม่เกี่ยวกสารเคลื่อนไหวที่เป็นรูปแบบ ไม่มีใครเห็นได้เห็นได้เฉพาะผู้คิดท่านเองในความคิดมันก็มีความรู้สักตัวหาถั้านันเคยชินอยางหยาบจางกลงอยจางละเอียดเมื่อมันเคยชินแล้วก็หัดหัดให้รูกไปในตัวมัน ไม่ต้องเคลื่อนไหวออกนี่มีเป็นที่จ้งไม่หนท่องหนังสือเุด่องก็ดูหนังสืออ่านจักรอบสองลอบื้นอ่านภาสิทธิ์ในคาถาที่เป็นคาถาแถวหนึ่งสองแถวแถวหนึ่งเรีวยกว่านักธรรมเ่นตรีสองแถวเรยวนักธรรมเ่นโทสามแถวเีวยกว่านักธรรมช่นเอก เพื่อเป็นที่อ้างอิงเราพูดจริงใดต้องมีสิ่งอ้างอิงถ้าแถวหนึ่งอา่านสองรอบทิ้งหนังสือว่าบาดเปล่าอะรองนี้จะไปดูหนังสืออยู่มันก็ไม่ได้เพราะหนังสือก็เป็นหนังสือไม่ใช่อยู่ที่เรา ควารู้จากตัวก็เป็นตัวหนังสือมันใช่อยู่ที่เราที่ที่ปฏิบัติก็เป็นตัวหนังสือรูปแบบไม่ใช่อยู่ที่เราแต่เราต้องฝึกหัดหรือไม่อ่านอะไรอีกุ่มเกิดกบหัดอี ก, อาอ ก, ออกวางไปอีกสใส่ใจอีกดำๆอีกทำในใจอีกทํำในใจอยู่นั่นรู้อยู่นั่นเอาไปมาคุณเคยก็ตี ไม่ได้เกี่ยวกับหนังสือไมไ่เกี่ยวกับมิดก็จะชำนานมากขึ้นแต่ น, นั่นจะใช้ได้มากขึ้นและต้องยิงมีดการปฏิบัติทรามก็เหมือนกันเปรียบนตนก็เหมือนกันไม่ใช่จะเคลื่อนไหวทรางจังหวะอยู่จนตออยายมันก็ม่ใช่ มาดูลมหายใจเข้าออกนั่งหลังขดหลั ง, งออยู่นั้นก็ไม่ใช่หอยจ้องดูความชิดอยู่นั่นก็ไม่ใช่เมื่อเราหายใจแล้วก็อยู่ในตัวมันเองอยู่ในตัวมันเองเคยกลมลู่มีอยู่ในกายใจนั่นแล้วเป็เจ้าของเป็เจ้าถินก็ดูเร่กันเองมีกาย ก, ากา็ดูเรอกายเองมี จิตใจก็ดูแลจิตใจเองเพราะหัดหัดทํำจนแล้วมีควารู้จักตัวไปเองอเพราะมัอนอยู่ด้วยกันนั่นแล้วง่ายๆจึงทล้วใจในสองฝันกว่าดูการเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวมันจับจับเป็นนิมิตไม่ต้องอาศัยนิมิตก็เกิดความรู้จักตัวได้รู้ขึ้นมาเองได้ จะนั่งจะยืนจะเดินจะนอนจะกูกเ้เยอะก็ไหวจะขับจะถ่ายกับใช้ชีวิตประจำวันเี่ตลอดเวลาในกบูตลอดเวลาไหวใช่จะอยู่ที่อาจจะอยู่ที่ท่านั่งทางเดินจังกรมเอาใช้ใช้นั่นยืด ต, ต้องเป็นมากกว่านั่นชีวิตที่เป็นกาใช้มากกว่านั่นก็ อาการต่างๆาที่มันเกิดขึ้นมากมายอาการที่เกิดขึ้นกับการกับใจมันมากกว่าอดีบทผีบทยืนเดินนั่งนอนถ้าเราไม่หาด้วมันคำในใจไม่เต็มมันก็ใช่การไม่ได้เป็นอนุบาลอยู่เสมอเรีนบาง คืียสอนเรื่องบรลีกรรมก็ย่างหนอหัวย่างหนออยู่ตนอดเวลายกเส้นหนอยกหนอย่างหนอลงหนอเย็บหนอกดหนอฮัดอยู่ตลอดเวลาไม่เด้ห ว, วางทะดีเราทำสมาธิก็เป็นท่าทางนัง่ง อ้อคว้าทับขาซ้ายเมื่อคว้าทับมือซ้ายนั่งขาเฉยลงหายใจเข้าออกเป็นรูปแบบเราเดินยังคงก็ไปเดินยังคงชอบชครับอยู่เช่นนั้นประมาณเชอยู่ในรูปแบบนั้น อาการที่มัเกิดขึ้นมันไม่เกิดขึ้นในท่าแบบนั่นเสมอไปนอนอยู่ก็เกิดขึ้นมาในความคิดในรูปเนี่ยลในกล่ในเสียงที่มันจะเปลี่ยนแปลงจิตใจให้เป็นไปอาการมาการต่างๆเป็นชกเป็นทุกข์ปวดเหลือตันหาเราจึงไม่ให้มันคับแคบขนาดนั้นอราจึงฝึกตนสอนตนให้มัน ชัวทุกด้านรอบครอบทุกด้านมีสติเป็นหน้าโลกทุกทุกด้านภายนอกภายในตาหูจมูกดิ่นกายใจดูรถกลิ่นเสียงอาร้นบต่างตางาการต่างต่างที่มันเกิดขึ้นมาตีเท่านั้นก็ไเมื่อมันมีแล้วก็ไม่ได้ไม่ ไ, ไปไม่ได้สร้างมันมีให้ใช่ สติกำหนดรูดโดยการรูเป็นการฝึกหัดกำหนดรูโดยการรูถ้าไม่กำหนดรูโดยอาการรูแบบมันก็ไม่มีความรูอันนั้นเป็นการฝึกหัดเหมือนเราอา่านหนังสือที่จะท่องได้จติตปากต้องมีหนังสือดูแล้วเขียนให้มันถูกด้วยเึ <c oughs> ่นภาษาบาลี วัดขังตัวตัวแถวหนึ่งสองแถวสามแถวอันนั้นก็เป็นมีมิดถ้ามันติดแล้วมันก็ไม่ต้องไปดูมันอ่ะเขียนออกไปเลยอันเขียนในใจก็ไม่ยังไม่พอต้องรูปความหมายรูปความหมายใช่ได้โดน่นตอนรูปความหมายเรื่อง ภาษาวิเ ย, ย, ย, ยนะทุกขมั่เจติคนจะล่วงทุกข์ไปได้กับความเพี่ยนนี้เป็นภาษาคําพูดแต่เราไปเอาล่นเลยเปลี่ยนมันเลยเปลี่ยนคือการเปลี่ยนร้ายเป็นดีไปเลยใช้ใจตรงนูนไปเลยมันหลงไม่หลงมีความเพียนมันทุกข์ไม่ทุกข์มีความเพีย น, น, ยนทุกข์ที่ใดไม่ทุกข์ที่นั่นหลงที่ใดไม่หลงที่นั่นหรือ่องความเพียนไม่ใช่อ่านเฉยๆท่องเฉยๆเป็นภาษานกแก้วดุขพุทธ คุณภาพของสติเนี่มันมีทั้งหมดตัวมันเองมีทั้งความเปลี่ยนมีทั้งกล้องหมดจนมีธรรมอยู่เนี่ย แ, แม่ของธรรมทัท้งหมดเลยถ้าเป็นมหาสติแล้วสติที่ไม่ต้องกําหนดรู ด, ดการรู้สติที่เป็นยานไปอย่างรู้เวงหย่ง่ยงรู้เวงจนเถึงยานคืนอหย่่งรู้รู้นั่นไม่ใช่กําหนดรูนะ้ใช่ยได้เลย ถึงเขาที่มืนเกิดมันแจ็มันเจ็บมือนตายก็รูปไปเลยรูปไปเลยรูปเลยรูป เ, เป็นหยานแห่งความหลุดพน้นเป็นปัญญาหยานไปเลยไม่ใช่กําหนดรูปโดยการรูปทิ้งทิ้งบัพพาต่างๆไปเลยลถ้ามันเก่งขนาดนั้นจึิงจะใช้ได้ที่จะเป็นนิพพานสมบัติที่มัอนติดอยู่ที่กาที่ใจ เกิดที่อื่นไม่มีเกิดอยู่ที่กาที่ใจนี่ที่ลูกที่นามนี่นิพานสมบัติมนุษย์สมบัติเราจึงต้องเพิกถอนให้มีไปในกาถ้ามันมีแล้วมันไม่หนีไปไหนมันถูกต้องครัมเป็นจริงอยู่เฉมงชูอยู่เฉมงชูอยู่เฉมงถ้ามัน ทำไม่เป็นหัดให้มันเต้นปัญหาให้เป็นนี่ไม่มีใครสอนเราได้ตัวเราเท่านั้นที่สอนตัวเราไ่ใช่เข้ยวเขียนไม่ใช่อะไรในบทเรียนจากสิ่งที่มันไม่ใช่จริงมากมายไม่ได้ลงแลงไม่น่าดําเครื่องเครียดง่ายง่ายง่าย่ายไม่ใช่หลบเวลาตัางจังเลย อยู่มันเลยในโลกเนี่ยท้ายเลยหัดให้มันเช่อมแขงตรงที่มันอ่อนเลยรูปนี่ยลดไม่จิ้นไม่เฉียงตรงไหนมันอน่น อ, อนเลยก็เช่อมแขงขึ้นมาถ้ามันเชื่อมแข็งตอนที่ไม่มีเลยเปรียบเทียบมันก็ไม่เก่งมันต้องเก่งตอนที่มัน โจว์ผลโชว์ความทุกขืนหยัดทีเสมอเปนนักกีฬาจะไปแข่งอยู่นอกเวทีนอกสนามมันไม่ใช่นักกีฬาต้องลงสนามดูแงขันดูแข่งขันกับความทุกข์แงขันกความปวดความโล่งวหลงแขงกับพี่เล้งสนามให้มันยอย่ยลงดู ลูกเนี่ยรดในเฉียงในเสียงที่มันเต้นดงที่มันมืดอ่แล้วเจ้าสว่างเสมอมันหัดได้น้อยกายใจของเราหนึ่งหัดได้มีคำน่งหัดได้สัตว์ประเภทอื่นหัดได้ดมนุษย์เองหัดได้เราจัจัดประิดกาหนดรูดในการรูดก็รูดได้จริงจริงเราไปกัรูดได้จริงจรง ไม่ต้องกําหนดรูดโดยการลูกชิ้นต่างๆทั้งไม่รูดไปหมดในโลกนี่ไม่มีชิ้นไหนที่เป็นด่นชิ้นเป็นดินไม่มีอาไว้กำลังความรูดไปทั้งหมดเพราะความรูดจากตัวที่เป็นหยานปัญญาหยานตัวหนึ่งมันไม่เป็นด่นใดๆเปลี่ยนแปลงเป็นปดินใดๆ มันได้ที่จะเป็นชเป็นสีดำเปลี่ยนด้วยสีอื่นไม่ได้สุดนิพพานเป็นอันเดียวเท่านั้นมันเป็นอื่นไปไม่ได้ยางไงก็เป็นนิพพานอยู่ดีที่มันรู้อยู่ดีๆมันไม่เป็นอะไรอยู่ดีความเป็นโน้นเป็นนี่มันไม่ใช่มันไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องผมไม่เป็นอะไร เหนือทุกอย่างเนี่ยมันลงที่ตรงนี้จริงเรานี่สามารถทำได้จากตัวเราเองคนอื่นช่วยไม่ได้ทำให้มันเต็นขึ้นมานมันไม่ไม่มีอะไรถ้าเราไม่หัดมันก็ไม่เติมมันจะเตินแต่ว่ามันหัดเมือมันลงรูปนะมันทุกรูปนะ ันโกรลูกอะไรที่เกิดขึ้นหวังกับไปากจอยลูกนี่นว่าฝึดหัดกันอย่าให้หลงจนหลงถ้าหลงเป็นห ล, ล, ลงไม่ได้หัดแม่จะเดินจัง ก, กรมอยู่นั่งภาวนาอยู่บริกรมพุโทโธพุโทโธอยู่ปล่อยจิตปล่อยใจปากคว่าแต่ใจก็คิดไปอย่างหนึงไม่ได้ลูกจริงๆแล้วก็บรรลัก วุฒิกัรมไม่สมดุลใช่ไหมครับต้องยช้ใจเอาใชุ้กรมออนเ ย, ยทิ้งไหมจะตาก็ไม่ต้องปิดนั่น ล, ลือนอยู่เนี่ยแต่ไม่ได้หลับเลือนอยู่เนี่ยแต่ไม่ต้องใช้เง น, นมันมีสติเป็นจิตใีตัวใหญ่กว่าใจรู้เนี่ยวันเก่งลงไปต้องไหนที่มันออนเลยเสริมเข้าไปเพี้ยนเข้าไป ลูบกระปุกเอาไว้เ oh oh อาไ่อยืดเลยย่าท้อเช่นต้องมีที่มันมแรงก็ทำกำลงแต่กำหนดลูบ ก, ก่อนลูกไม่พอใหม่เช่นขับใม่ใหมช่างสวาชูกับความน่งมันอาจจะไม่พอนั่งลูบนั่ง หาวิธีอื่นเยอะแยะขนขยองลุกเดินดูตรงกว่ามือลูกหน้าลูกตาสั้งท่าใหม่วางกายใหม่วางใจใหม่วางหน้าตาใหม่ส้างความเดินไปมหลายแบบที่เราหาวิีเอามาฝึกตัวเองสเดินเดินมันก็ไม่ยากขนาดนะั้นเรื่องมันง่ายจะทำให้เรา เราไปทำให้มันยากก็มีนะเรื่องที่น้าบูดน่าเบิ่ออาจจะเป็นความยิ้มได้นะอย่างที่เชร้าโศกอาจจะเป็นการชื่นบานขึ้นมาต่รหัสหัสนิสหัสคิดรหัสใจหัสความเห็น สร้างสร้างคิดขางให้ตัวเองสะดวกเ่าจะสร้างแบบทับถมให้ตัวเองอไรไอยเกิดขึ้นมาพอใจอร่อยเกิดขึ้นมาไม่พอใจอันนี้มันขวงกันอยา่าไปอยู่ตรงนั้นจะเดินแยกแบบนั้นรูปอย่างเดียวหนึ่งเดียวเท่านั้น ผิดดีผิดก็ไม่ชอบถูกชอบอย่าไปเดินแบบนั้นใจงบดีกุ้งช่อนไม่ดีวันนี้ไม่ดีเมื่อวานดีกว่านี้มือเช่าดีดีย้อนสายวานะไม่ดีอย่าไปเดินแยกลบบนันถ้าเดินแยกวันนั้นจะเป็นนิสัยสองฝั่งสองฝ่ายไม่เป็นหนึ่ง กาฝึกต้นสอนอตอนน่งก็ของเชื่องย่อก็เป็นเรื่องง่ายขึ้นมาเรื่องมาก็ตป น, นเรื่องเบาขึ้นตานะเดี๋ยวทำมาให้มันยุง่งยากเอาเลก็ไม่ได้อันนี้ได้อันนั้นไม่ได้เอา ไ, ไ, ได้ไม่ได้ลงทุนเอามีเจอเป <c oughs> ็นหวามดีไปไม่ชนุั้นอาจจะ ช่วยช่วยจูย้จี้จู้จ้เดี๋ยวอะไรก็เกี่ยวกับารรู้เนี่ยวต้นขี่ตั้งอยู่แล้วต้นแข็งยู่แล้วรู้จักตัวเนี่ยมาลงที่รู้จักตัวไม่ต้องหาคําตอบจากความคิดเอาผิดเอาถูกจากความคิดยิ่งไปหาคําสอนจำเอาคนนั่นคนนี้ไม่ได้บทเรียนจากตัวเองยิ่งไม่ดี ควมที่ควมถูกตรงได้บทเรียนจากตัวเลาเองี <S <s ่สัมผัสเอารวมรู้จากตัวความหลงตั้งแต่ยหนให้มันแนบแน่นกับวามรู้ที่ตัวจริงๆวันจ๋าเรื่องที่บงบอกสิ่งไหนที่เกิดขึ้นมาให้มันชัดเจนแม่นยำฝึกสอนสอนตนฝึกต้นสอนตนนี่สนุกนะ ถ้าทำจนกับทุกนะั้นำบากทุกข์ขาปฏิปทาปฏิบัติลำบากไม่รู้อะไรเลยสุ ข, ขาปฏิปทาปฏิบัติสะดวกอาจะรู้ได้สำทับปัญญารู้ได้หวางจิตหวานใจดีๆมีหลักอยู่แล้วนงที่ความรู้อยู่แล้วยืดเยื้ รูอาจารย์เยอะแยะรู้เจ้าจุล่พหน้านี่แล้วต่ลูกที่ใดนัด่นแหละบยทางนั้นแหลอหลงไปดีพิดูกอยู่บว้ปัดแล้วไม่เห็นทางแล้วโดยทางอื่นแล้วลูกลูกเนยศึกษาในนี้ให้ปฏิบัติปลูกตนสอนตนมีวิธีฝึกเยอะแยะ ไม่เจ็เจ็บอารมไม่โทษไม่นี่ไม่ทำอะไรเลยอันนั้นก็เป็นแบบหนึ่งเฮ้อเฮ้ดงกรรมาฐานทาั้งทั้งที่เราไม่ดื้อแล้วก็ปทําไม่เราต้องโทษเกินเอินเกินขอบเขตเราไม่ดื้อนะเราวมนเด็ก่าคนองคนอื่นมานนะจะมี ก็ก็ไม่ไม่หนักขนาดนั้นข้าสับข้าปูข้าว่าอาให้คนอื่นเป็นทุกทข์ผิดพลาดเพราความไม่เข้าใจไม่ได้เจตนาทำแบบไม่รู้ก็มีเชื่อนี่เช่นี่แล้วก็ตอบแทนจะเป็นคนดีจะทำดีตั้งแต่คิดรู้จเชิดหลากเพรานี้ก็พอแล้ว ในความคิดก็เฉดหลาบในควาวมคิดชิดแบบนี้ก็ทุกทุดีทุกทุกทีคิดแบบนี้เฉลี่ยตั้งนานเกิดขึ้นทุกทีเฉดหลาลูกเฉดตัว apples, ข enfin ึ้นมาเฉดหลาบนี่ขาวเดียวกันขนหัวลูกเนี่ยปอยตัวึกคิดอยู่ด้านๆเนี่ยดื้อด้านอยู่เรื่องนั้นก็ไม่เฉดหลาบสักทีแล้ก็ดื้อไปเลยคิดก็คิดได้ทุกสิ่งทุกอย่างอนั่นมันก็ไม่หักโชนถอนตน เิดยพอความคิดเนี่ยไม่หักก่อยให้ความชิดหลยไปแต่เพื่อแต่เพือไม่มีสติเลยนะเพราะฉะนั้นเวลาก็ดีดีกำหนดเวลาก็ดีดีเจ้ามีรูปแบบให้เราได้ใช้ดีเจ้ามีรูปแบบให้เราได้ใช้ดีมีทาไว้ไหนให้เราได้ใช้ดี เรเป็นอยู่พวกเราก็เป็นเพื่อนเป็นมิตรกันดีอยู่เลยกันก็ช่างดีเหลือเกินโอกาสเต็มที่นี่อะไก็ไม่ใช่เราโดดเดี่ยวว่าไปเนี่ยแต่เราไม่มีอะไรก็เยอะแยะมีเพื่ออากาศาาป่าไม้แผ่นดินเป็นเพื่อนกันเรา เป็นมดตัวเลนอยก็เปนเพื่อนกันเราศัตรูเชื่อ ค, คือความพิษความโกรธโลคหลงเฉอปัญหาที่มันเกิดกับตัวเรานี่ต่างหากมาเช่นเดีนั่นเรามีสติเราก็เป็นมิตรกับตัวเองหลงเฉอรู้ที่นั่นมีมิตรมีเพื่อนมีมิตรกันยาวนะมิตรมีทําเป็นกันยาวนะมิตรมีวิธีปฏิบัติเป็นกันยาวนัมิตร อุ่นอบอุ่นเอยนีจะตื่นขึ้นมาตื่นเช้่เชคืนอุ่นจยเห็นทองปล่อเห็นบรรยากาศจนไมายืนอยู่ดนิ่งๆเราก็พักก่อนจอดวางเพื่อนหาชินตะแกรงเกินตะเกียนิ่ใชของเขาเอาวันเขาหาินไม่ได้ มีสตูงอันตรายแล้วก็มีสติปัญญามันกับอวตัวลอดก็จะกลบไัยนีไยเหมือนกันกับเรานี้ถ้าทำถ้าตั้งใจไว้ชอบหนึ่งอะไรก็ดีไปมากมายถ้าตั้งใจชอบทุกๆอย่างในโลกนี้ในตัวนอกตัวในกายนอกกาย อยู่โดยชอบโลกจะไม่ว่างจากพาละหันด้วยสติอยู่โดยชอบทำไว้ให้มันเร่ื่นบรรเทิงในชีวิตของเราสุข ก, ก็เหนือสุกทุกข์ก็เหนือทุกข์ไม่มีอะไรคอบงำได้จึง ไม่มีอะไรที่สะดวกกว่าวัดปฏิบัติธรรมวิไนช่วยเราในการนิจใจก็เหมาะแก่การใช้ธรรมวิไนมีรักเดียมการพูดการคิดการทำทางการวาจาขจิตครบถ้วนธรรมวิไน มีเสี้นก็ไปมีสวาธิมีปัญญา ย, ยานอย่างลูกี่โอ้พลังงานที่ขนช่งให้ทนจอกปัญหามากมายไม่จนเลยชีวิตของเรนไม่จนเด็ดขาดพบทางมากมายถ้าเราไม่หัดให้จนนะ้ายแต่ความคิดก็จนจนจ่อยจนจน่อย ลองงายจนจา่ายถ้าไมีนะถ้ามหัศลไม่มีทางจนอยู่ในโลกจางสนา ง, งามาเดือดนอนอะไรก็บอกกันเ ด, ดืดไข้ใดป่วยบอกกันเราจะไม่ทอดไปทิ่งกันสนเตือนตัวนิดกันฮะอันนี้ก็สำคัญเช่นกัน